ทีนี้ต่อไปนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับในเมตตาภาวสูตรจรีงอยู่สูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูกนพิสูจน์ทั้งหลายบุญกิริยาวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งมีอุปทิสมบัติเป็นเหตุบุญกิริยาวัตถุทั้งหมดนั้นนะครับ ค, คือหมายว่าบุญที่ให้ผลเป็นอุปธิสมบัติเป็นเหตุเนี่ยนะครับบุญกิริยาวัตถุทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับย่อมไม่ถึงเซี่ยวที่16แห่งเมตาเ ต, ม ต, เมตาเจโตวิมุตต์เมตตาเจโตวิมุตต์นั่นแหลครอบงําบุญยะกิริยาวัตถุเหล่านั้นสว่างสวัยไพยโรจน์นะครับอุปมาก็เหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนรัศมีแห่งดาวชนิดใดชนิดหนึ่งรัศมีดาวทั้งหมดนั้นอะ่ะย่อมไม่ถึง เซี่ยลที่สิแห่งรัศมีของพระจันทร์เอานะดาว16ดวงมาตั้งกับพระจันทร์ขึ้นดวงเดียวไหนะสว่างกันนะครับรก็พระจันทร์นั่นแหละครับเดียว่าสิบหกดวงพันดวงนะครับดาวเนี่ยนะพระจันทร์ขึ้นดวงเดียวนะครับโลกเราสว่างสวัยกว่าดาวทั้งหมดเหล่านั้นนั่นอีกรัศมีพระจันทร์นั่นแหลครอบงมรัศมีดาวเหล่านั้นสว่างสวัยไพยโรชนั้น ดูความพ่สูจทั้งหลายเปรียบเหมือนในเมื่ออากาศปโปรง่งปราศจากเมฆในสารทศสมัยในเดือนท้ายแห่งฤดูฝนคือเดือน11เดือน12เนี่ยนะครับพระอาทิตย์ลอยขึ้นไปสู่ท้องฟ้ากําจัดอากาศอันมืดทั้งปวงสว่างสวัยไพโรธเช่นนั้นอันหนึ่งเปรียบเหมือนดาวประกายพล็กในปัจจุสมัยแห่งราตรีสว่างสวัยไพโรธเช่นนั้นเพราะฉะนั้นในบรรดาบุญที่เป็นไปเพื่อ อ, อุปธิสมบัติเนี่ยนะครับไม่มีบุญใด ถึงเมตตาเจโตวิมุตต์เนะครับเมตตาเจโตวิมุตต์เนี่ยมีผลมหาศาลครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าผู้ใดมีสติเจริญเมตตาไม่มีประมาณสังโยชน์ทั้งหลายของผู้นั้นผู้พิจารณาเห็นซึ่งธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิย่อมเป็นธรรมชาติเบาบาง ถ้าว่าผู้นั้นมีจิตไม่ประทุษร้ายซึ่งสัตว์มีชีวิตแม้ชนิดหนึ่งเจริญเมตตาอยู่ไส่ผู้นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้มีกุศลเพราะการเจริญเมตตานั้นอันพระริยบุคคลมีใจอนุเคราะห์ซึ่งสัตว์มีชีวิตทุกหมู่เหล่าย่อมกระทำบุญเป็นอันมากพระราชฤาษีทั้งหลายทรงชนะซึ่งแผ่นดิน อันเกลื่อนกลนไปด้วยหมูสัตว์ทรงบูชาอยู่ซึ่งบุญเหล่าใดคืออัศเมธปุริสเมธสัมมาปาสาวาชะชไปะยะนิร克拉เนี่นะเสดเที่ยวไปบุญเหล่านั้นย่อมไม่ถึงแม้เซี่ยวที่16แห่งเมตตาจิตอันบุคคลเจริญดีแล้วเหมือนหมู่ดาวทั้งหมดย่อมไม่ถึงเซี่ยวที่16แห่งรัศมีพระจันทร์ฉะนั้นผู้ใดมีส่วนแห่งจิตประกอบด้วยเมตตาในสัตว์ทุกหมูเหล่า ย่อมไม่ฆ่าเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าไม่ชนะเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นชนะเวรของผู้นั้นย่อมไม่มีเพราะเหตุอะไรอะไรเลยนะครับเพราะมีดมีเ ม, ม, มตากว้างขวางไม่มีประมาณนะครับอัตถกถามเมตตาภาวะสูตรประมัททีปนีอธิบายว่าบทว่าโอปิการนิปุญญกิริยาวัตถุนินะครับเป็นคํากำหนดถึงบุญญกิริยาวัตถุเหล่านั้น ก็บอกว่าขันทั้งหลายท่านเรียกว่าอุปธิในบทนั้นนะครับศีลเนี่ยเป็นเหตุแห่งอุปธิการให้การรักษาศีลนะครับเป็นเหตุให้ให้ได้อุปธินะครับเพราะว่าศีลเนี่ยทำให้ให้สู่สุคติใช่ไหมครับเช่นอุปธิที่เป็นมนุษย์อุปธิที่เป็นเทวดาเนี่ยนะครับก็คือขันอะนะขันที่เป็นมนุษย์ขันที่เป็นเทวดานี้ก็อาศัยอะไรครับอาศัยศีลนั่นแหละครับหรือความขวนขวายอันเป็นอุปธิอายุหะณะเนี่ยนะครับที่เป็นเหตุของอุปธินะครับ อันเป็นอุปเทของขันเหล่านั้นชื่อว่าโอปธิกะน ะ, ะหมายถึงเจตนาเจตนาหรือศีลนะครับเป็นเหตุแห่งปฏิสนธินะครับชื่อว่าโอปธิกะมีอุปเิสมบัติเป็นเหตุอันทําให้เกิดในอัตภาพในสมบัติภพคือให้ผลอันเป็นไปในปฏิสนธินะครับคือหมายคก็ว่าหมายถึงตัวเจตนาที่ให้ผลนําเกิดนะในบรรดาเจตนาที่ให้ผลนําเกิดนะครับ หรือว่าบุญที่ให้ผลนำเกิดเนี่ยนะไม่มีบุญใดเท่ากับเมตตานะเมตตาเจโตวิมุตนะครับแบบถ้าเมตตาเจโตวิมุตขอให้รู้เถอว่าระดับฌานจิตนะครับนะครับก็เกิดเป็นพรหมก็เทวดาถึงจะมีพันองค์ก็สู้พรหมองค์เดียวไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทานศีลแบบเทวดาทั่วๆไปยังไงก็สู้พรหมไม่ได้เหมืนั้นเถอะนะเออมตตาเนี่ย การที่จะเจริญเมตตานี่ต้องจเจริญให้ได้ชานใช่ไหมถึงจะได้นิสงส์ตรงนี้ถ้าตามสูตรนี้ก็ชานะจิตนะครับพอใช้เมตตาเจตโตวิมุตถ์ถ้าเป็นเมตตาเพียงแต่ว่าข่มความโกรธหรือว่าเห็นโทษของความโกรธเจริญเมตตาในหมู่คณะบ้างเล็กๆน้อยๆ น, น, นี่ก็จะไม่ได้นิสงส์เท่าขนาดนี้ไม่ขนาดนี้นะครับครับไม่ขนาดนี้ก็เอาบุญไปแบบเล็กๆน้อยๆไปก็แล้วกันนะครับครับดีกว่าไม่ทําใช่ไหมครับครับพูดอีกก็ถูกอีกนะครับไม่ผิดหรอกครับ บทว่าบุญญากิริยาวัตถุนี้คือชื่อว่าบุญญากิริยาวัตถุเพราะเป็นบุญญากิริยาและเป็นผลแห่งพลานิสง น, น์นั้นๆก็บุญญะกิริยาวัตถุเหล่านั้นโดยย่อมี3อย่างนะครับคือทานะไมศีลละไมภาวนาไมนะครับเดี๋ยวจะได้ขยายข้างหน้าต่อไปบทว่าเมตายะคือเมตตาเจโตวิมุตต์เนี่ยนะครับได้แก่การเข้าฌานหมวดสามและหมวดส ที่ได้ด้วยเมตตาภาวนานะครับถ้าโดยจตุ ก, กนัยก็ได้แก่ปฐมฌานทุติยฌานและตะติยฌานถ้าโดยปัญจกนาญก็ได้แก่จดถึงจตุทะฌานนะครับปัญจกนาญ น, นะคือฌานที่3โดยจตุ ก, ก น, นัยฌานที่4โดยปัญจกนาญ น, นะครับก็เมื่อกล่าวว่าเมตตาย่อมหมายทั้งอุปจาระและอัปปนาถ้าอ่านเจอในพระไตรปิฎกนะครับที่ไหนเจอคําว่าเมตตาเนี่ยบางทีก็หมายถึงอุปจาระและอัปปนา คือรวมทั้งเล็กๆน้อยๆจนถึงชานด้วยแต่เมื่อกล่าวว่าเจโตวิมุตต์เนี่ยหมายถึงอัปปนาชาญอย่างเดียวนะครับต้องเป็นชานอย่างเดียวเท่านั้นถ้าใช้คําว่าเจโตวิมุตต์เนี่ยนะครับก็อปปนาชาญ น, นั้นอ่ะท่านเรียกว่าเจโตวิมุตติเพราะจิตพ้นด้วยดีจากธรรมะอันเป็นข้าศึกมีนิวรณ์เป็นต้นนะเพราะว่ามันพ้นจากนิวรณ์นิวรณ์ไม่ครอบงำนะครับกามฉันท่พยาปาท่ทีนัมิท่า วิจิกิจชานะครับอุทะจักุกุจักเป็นต้นก็ไม่ครอบงําชาในจิตเหล่านั้นนั่นนะครับเพราะว่าชานนี้ครอบงํานิวรณ์นะครับแม้แต่ปฐมวิชาก็ละนิวรณ์แล้วนะครับทุติยาชาญก็ละวิตกวิจาร ต, ตัตยาชานก็ละปีตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจริญชาญได้ถึงที่สุดก็จะมีสุขเอกัคตาเป็นไปนะครับอันนี้เป็นไปกับเมตตาบทว่ากําลังหน้าขันติ โสละสิงในแก่บุญญากิริยาวัตถุมีอุปธิเป็นเหตุย่อมไม่ถึงเซี่ยวที่16แห่งเมตตาพรหมวิหารธรรมนะครับข้อนี้ท่านอธิบายไว้ว่ากระทําผลแห่งเมตตาเจโตวิมุตให้เป็นสิบหกเซี่ยวคือให้เป็น16ส่วนแล้วทําส่วนหนึ่งจาก16ส่วนนั้นให้เป็น16ส่วนอีกบุญญากิริยาวัตถุมีอุปธิเป็นสมบัติเป็นเหตุเหล่านั้นยังไม่ถึงส่วนหนึ่งในส่วนที่16นั้นนะครับ คือหมายถึงว่าเมตตาชานเนี่ยนะครับมาพาเป็นสิบหส่วนแล้วเอาหนึ่งในสิบหกมาพาอีกสิบหกครั้งนะครับทานกับสิน ท, ทั่วไปเนี่ยนะครับไม่ถึงเซี่ยวของอันนั้นเลยนะครับถามว่าเอ๊ะมันจะเกินไปหรือเปล่านะครับถ้าหาว่าใครที่เคยอ่านว่าเมื่อสนังกุมานพรหมมาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับไปอ่านดูนะในพระสูตรหลายสูตรเนี่ยนะ เวลาที่สนังกุมานพรหมเนี่ยนะครับสเสด็จมาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะในมหาโกวินทสูรเนี่ยนะครับโอ้โหรัศมีเนี่ยจ้าครอบคลุมสวรรค์ชั้นดาวดึงทั้งหมดเลยนะครับว่า ง, งั้นเถอะโอ้โหเทวดาดาวดึงเนี่ยงียบกริบเลยนะครับทั้งสวรรค์เลยนะครับทั้งทั้งดาวดึงเนี่ยนะท้าสระเป็นต้นเนี่ยนั่งไม่ขยับเลยว่า ง, งั้นเถอะดูซิว่าพรหมจะมาไงนะจะมานั่งตรงไหนใครถ้าพรหมนั่งอาสนะใครเนี่ยคนนั้นนี่เหมือนกับชั้นหนึ่งเลยนะรับเหยียดมากว่า ง, งั้นเถอะนะ ก็เทวดาทั้งสวรรค์ดาวดึงนะครับไม่ได้เเสี่ยวของอสนังกุมารพรมที่ว่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นโหพรมกับเทวดานี่ห่างกันเยอะนะครับเพราะว่ารูปของพรเนี่ยไม่ประสงค์จะให้เทวดาเห็นเทวดาก็มองไม่เห็นนะครับดังนั้นความหยาบเนี่ยแตกต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นทานศีล ท, ทั่วไปนี่เมื่อเทียบกับระดับชาณจิตเป็นพรแล้วโหห่างกันมหาศาลนะครับอย่างที่พระองค์อุปมานี่แหละเหมือนนะรครับเหมือนกับนี่แหละเหมือนกับ ดาวกวับเดือนนะครับมันห่างกันขนาดนั้นนะหรือเหมือนกับความมืดกับแสงอาทิตย์ในเที่ยงวันเนี่ยนะครับห่างกันอย่างนั้นจริงๆจริงอยู่เมตตาเจโตวิมุตต์เนี่ยนะครับย่อมสว่างสวัยดุดความเจีมใสอันปราศจากความเศร้า ม, มองได้แก่ความสว่างของดวงจันทร์ย่อมกําจัด คือเผาธรรมะอันเป็นค่าศึกดุจความสว่างนะครับแสงสว่างก็กําจัดความมืดย่อมสว่างสวัยไพโรธดุจดาวประกายพลึกโชตช่วงแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรที่จะสว่างสวัยกว่านี้อีกแล้วในเทียบเทียบบุญทั่วทไปเนี่ยนะครับเมตตาเนี่ยบุญจริงๆขอโอกาสครับถ้าหากว่าคนที่เจริญฌานลักษณะนี้แล้วเนี่ยไปเป็นพรมแล้วถ้าหากว่าหมดบุญจากพรมเนี่ยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ครับให้บุญที่เกิดจากการําเพณฌานของเขาเนี่ยของท่านเนี่ยนะ จะมาให้เป็นพวกรูปรสมบัติพวกทรัพสมบัติพวกเกยียรติยศชื่อเสียงอะไรพวกนี้ได้ไหม อ, อ๋อแน่นอนครับเช่นในสูตรก่อนใช่ไหมครับที่พงค์บอกว่ามาเป็นเท้าสักะ36ครั้งมาเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิอีกแล้วก็มาเป็นพระเจ้าประเทศสราชาหาเรียกว่านับไม่หวาดไม่ไหวนะครับ เ, เนื่องจากผลแห่งการเจริญเมตตาอนันอยู่7ปีนะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมตตาเนี่ยจึงดีจริงๆว่างั้นเถอะ ก็ในบทนี้ท่านกล่าวว่าก็เพราะเหตุไรเมื่อยังมีอาสวะอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเมตตานี่นะครับวิเศษกว่าบุญมีอุปธิสมบัตินอกนี้เล่านะก็มันเป็นไปกับด้วยอาสวะนะครับก็ยังเป็นอารมณ์ของอาสวะทำไมชงยึงชื่นชมขนาดนี้องนั้นนะอัตตกถาก็ตั้งประเด็นถามท่านก็แก้ว่า เพราะความปฏิบัติชอบในสัตว์ทั้งหลายนะครับนี่เป็นวิธีการปฏิบัติชอบในสัตว์จริงๆว่างั้นเถิดด้วยความประเสริฐสุดและความไม่มีโทษนี่แหะเป็นการทําที่เพื่อสัตว์แบบประเสริฐจริงๆนะครับไม่มีบุญอย่างอื่นที่เป็นไปเพื่อประเสริฐแก่สัตว์แบบนี้อีกแล้วแล้วก็สิ่งนี้ไม่มีโทษจริงๆนะครับเมตตาเนี่ยกวิหารธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นธรรมะประเสริฐที่สุดเป็นสัมมาปฏิบัติในสัตว์ทั้งปวงคือเมตตาชาน เหมือนอย่างว่าพวกพรหมมีจิตไม่ประทุสร้ายฉันใดพระโยคีทั้งหลายผู้ประกอบด้วยวิหารธรรมเหล่านี้คือเมตตาเนี่ยนะก็เป็นผู้เสมอด้วยพรหมฉันนั้นนะครับมีจิตใจที่ประเสริฐต่อสัตว์ทั้งหลายเป็นการปฏิบัติอย่างชอบต่อต่อสัตว์ทั้งหลายนั่นเองนะครับเป็นความจริงอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าเมตตาบ ร, รมวิหาราเมตตาเป็นพรหมวิหารธรรมนะครับ ด้วยประการเชนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเมตตาว่าวิเศษกว่าบุญมีอุปธิสมบัตินอกนี้เพราะเป็นการปฏิบัติชอบในสัตว์ทั้งหลายด้วยความประเสริฐที่สุดนะครับคือเป็นชั้นพรมเหมือนกันเถอะและด้วยความไม่มีโทษนะครับเออถามว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเมตตาเท่านั้นว่าวิเศษถึงอย่างนี้เออพรหมวิหารนี่ก็มีตั้งมากมายทําไมไม่ยกเอามาพูดบุญกิริยาวัตถุก็มีตั้งเยอะแยะทําไมไม่เอามาแสดง บารมีม like ีต so, so like e ั้งสิบทำไมไม่เอามากล่าวนะครับก็เน้นแต่เมตตาอย่างเดียวคือเมตตาเนี่ยเป็นเมตตาในพรหมิหารเป็นภาวนาในบุญญาจิริยาวัตถุแล้วก็เป็นเมตตาในบารมีสิบใช่ไหมครับก็เป็นทําไมเน้นเมตตาอย่างเดียวนะพรหมิหารอื่นทําไมไม่เอามาขับเน้นนะครับกรุณาไม่เอามาขับเน้นอ่ะเป็นต้นนะครับหรือว่าทานศีลทําไมไม่ขับเน้นมาขับเน้นเมตตาภาวนาอย่างเดียว หรือว่าบารมีสิบเนี่ยนะครับทานศีลเนคขม่ามันดนทำไมไม่มาขับเน้นขับเน้นทาไมเมตตาอย่างเดียวว่า ง, งั้นเถอะตอบว่าตอบว่าเพราะเมตตาเป็นที่ตั้งของพรหมวิหารธรรมนบนี้นะคือถ้ามีเมตตาและวิหารธรรมพรหมวิหารอื่นๆก็ไม่ยากว่า ง, งั้นเถอะและเพราะเมตตาเนี่ยนะครับเป็นกาลยานธรรมทั้งหมดทานเป็นต้นก็จะครบบริบูรณ์ ถ้ามีเมตตาแล้วนี่นะครับทานเป็นต้นก็จะบริบูรณ์เองนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมตตาจึงเด่นอย่างนั้นก็เมตตานี้นี่นะครับมีความประพฤติอาการอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายเป็นลักษณะนะครับคือมีจิตที่หวังดีต่อสัตว์จริงๆอ่ะนะเป็นลักษณะของเมตตาเนี่ยนะมีการประมวลประโยชน์เกื้อกูลเป็น กิจนะครับภาษาเนี่ยกิจนะรประมวลประโยชน์ให้แกสัตว์นะครับเช่นประมวลว่าสัตว์ควรได้รับความสุขนะก็หวังใจให้สัตว์มีความสุขหวังใจให้สัตว์ไม่เบียดเบียนเป็นต้นเนี่ยนะครับมีการปลดเปลื้องความอาฆาตเป็นอาการปรากฏนะครับปลดเปลื้องเลยจิตที่นึกตำหนิต่อสัตว์ทั้งหลายยังไม่มีเลยนะครับจิตที่นึกตำหนิจิตที่นึกบ่นจิตที่นึกว่าร้ายให้เสียหายไม่มีนะครับ มีแต่วังประโยชน์ไปหาสาพัส์นั่นเองนะครับจึงไม่มีความอาฆาตโกโรธเกลียดชิงชังแม่แต่นิดเดียวเลยพีว่าเมตตาอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วโดยไม่ว่างเวน้นเมื่อเป็นเช่นนั้นภาวนามีการุณาเป็นต้นย่อมสำเร็จได้โดยง่ายทีเดียวนะครับเมตตาเนี่ยเป็นไปได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องนะครับกรุณาก็เจริญไม่ยากแล้วมุทิตาเวขาก็จักเจริญไม่ยากเหมือนกัน เพราะเหตุนั้นเมตตาจึงเป็นที่ตั้งแห่งพรหมวิหารธรรมนอกนี้ทั้งหมดเลยนะครับจริงอย่างนั้นเมื่อมีอัธยาศัยเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายคือถ้ามีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับความเป็นผู้นําให้ออกไปจากทุกขคือมีกรุณาเนี่ยนะครับประสงค์จะนาําสัตว์ให้ออกจากทุกความเป็นผู้ใคร่จะให้สมบัติวิเศษดํารงอยู่ได้นานสําเร็จได้โดยง่ายเพราะไม่มีการฆ่าอีกฝ่ายหนึ่ง เนี่ยนะครับคือคือจะถ้ามีจิตเกื้อกูลต่อสัตว์นะครับทุกใดๆที่จะพึงมีต่อสัตว์ก็จะนําทุกอันนั้นออกไปอันนั้นเป็นกรุณาเสร็จแล้วก็หมายอยากให้สัตว์เนี่ยมีความสุขความเจริญเนี่ยนะครับไม่คิดฆ่าเลยอันนี้เป็นมุทิตาให้เขาสเวสวบรุขไปได้ น, น, นานๆและเพราะมีจิตเป็นไปสม่ําเสมอในที่ทั้งปวงต่อไปก็จะวางใจได้ก็จะเป็นอุเบกขาเป็นต้นนั่นเองนะครับด้วยเหตุนั้นพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้น้อมไปในการแบ่งความสุขอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกทั้งมวลไม่ทำการแบ่งแยกด้วยการเลือกว่าควรให้แก่ผู้นี้ไม่ควรให้แก่ผู้นี้ดังนี้แล้วให้ทานอันเป็นเหตุให้ความสุขแก่สรรพสัตว์โดยไม่เลือกหน้าเพราะเมตานั่นเองนะครับเมื่อเมตตามหาศาลแล้วมีอะไรก็คิดจะให้นะครับคิดจะให้ให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญ เสแล้ก็สมาทานศีลเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายคือถ้าสมาทานศีลหนึ่งะครับถ้าสมาทานศีล น, นะหนึ่งให้ชีวิตเป็นทานนะถ้าอัเว้นจากอาทินาทานก็ให้สมบัติเป็นทานใช่ไหมครับไม่นึกเบียดเบียนทรัพย์สินของใครเลยถ้าหากว่าสมาทานงดเว้นจากการเมศสุมิจฉาจาร์ก็ให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สมบัติบุตรภริยาของเขาทั้งหมดเลยนะครับไม่นึกที่จะล่วงละเมิดบุตรและภรรยาอันเป็นที่รักของใครๆเลย แล้วก็ให้คําสัตว์คําจริงเนี่ยนะครับไม่มุสาว่าก็คือให้คําสัตว์คําจริงต่อต่อสัตว์ทั้งหลายนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ดื่มสุราเนี่ยนะครับเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยประมาทนะก็ให้ความไม่ประมาทต่อสัตว์ทั <yan> <m ulation> ้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อสมาทานศีลก็เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายนั่นเองนะครับบาเพ็ญเนคขมะเพื่อให้ศีลบริบูรณ์นะครับศีลจะดีก็ต้องเมื่อมีเนคขมะทําปัญญาให้บริสุทธิ์เพื่อความไม่ลุ่มหลง ในประโยชน์สุขของสัตร์ทั้งหลายคือจะไม่เข้าใจพลาดนะครับสิ่งที่ประกอบก็ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขแก่สัตว์จริงๆแล้วก็ปรารบความเพียรมั่นเพื่อประโยชน์สุขยิ่งๆขึ้นไปบรรลุความเป็นผู้กล้าด้วยความเพียรอันสูงสุดนะครับคือมุ่งที่จะให้ความสุขแก่สัตว์มีแต่ยิ่งงขึ้นไปนะครับถามว่าให้ความสุขแก่สัตว์นี่ให้ขนาดไหน อย่าว่าให้สุขแบบธรรมดาเลยนะครับพระโพธิสัตว์ทั้งหลายหวังจะให้สัตว์นี่นะครับได้รับโลกุตระสุขเลยนะครับถ้าคู่ควรแกโร่โสดาปฏิมักบรรลุเลยโสดาปฏิมักถ้าคู่ควรแก่สกตท า, า, าคามีอาณาคามีอรหันต์เข้าจะให้บรรลุไปเลยนะครับจึงไม่อิจฉาด้วยาตาร้อนเลยเ่าไหรพอเป็นพระพุทธจเจ้าแล้วนะครับใครพอที่จะบรรลุมรรคผลได้อยู่ไกลขนาดไหนพระองค์ก็จะหยิบยื่นให้เขา นะครับคือยื่นให้นี่เป็นสำนวนนะครับหมายถึงไปแสดงธรรมเพื่อประโยชน์ให้เข้าบารรลุมรรคั้นนะครับแล้วก็เป็นผู้อดทนด้วยอัธยาศัยอันเป็นประโยชน์นานับประการแกร ส, าาาสัพพสารทั้งหลายถึงสัตว์จะมีความผิดต่อตัวแต่ก็ไม่โกรธนะครับไม่โกรธนะครับถ้าเขามาด่า ก, ก่อนถ้าเขามีอุปนิสัยแห่งมรรคผลพระองค์ก็จะนั่งอยู่นั่นแหละเขาด่าเลิกแล้วค่อยแสดงธรรมให้เขาฟังนะครับ แล้วก็ไม่ผิดคำพูดที่ได้ปฏิญาไว้ด้วยคำามีอาที่ว่าเราจะให้จักกระทำสิ่งนี้แก่ท่านนะครับมันจะไม่มีการผิดวจีสัจจะเลยนะครับรักษาคำพูดได้เยี่ยมเป็นผู้ตั้งใจจริงเพื่อประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์อันนี้ก็เป็นอธิฐานของท่านเป็นผู้แผ่เมตตามไม่เลื่อนลอยในสรรพสัตว์ทั้งหลาย นะครับไม่เลื่อนลอยนีแผ่เมตตก็หวังประโยชน์จริงๆไม่ใช่เออซาเพสาตาว่าไปเรื่อยเปื่อยนี่ไม่ใช่นะครับหวังให้เขามีความสุขจริงๆนะครับเป็นผู้ให้อาภัยในความผิดพลาดของสภา ษ, ษาทั้งหลายด้วยอัธยาศัยเกื้อกูลเพราะได้ทําอุปการะก่อนก็ไม่หวังการตอบแทนอันนี้ลักษณะของอุเบกขาให้อาภัยหมดเลยนะครับทำความดีให้แกเขาไปแล้วก็ไม่ได้หวังความตอบแทนอะไรนะครับก็ช่วยเขาเพื่อความสุขจริงๆ เพราะฉะนั้นพระมหาโพธิสัตว์เหล่านั้นบำเพ็ญบารมีแล้วยังกาลยานธรรมทั้งหมดอันเป็นประเภทแห่งพุทธธรรมสิบแปดหมวดตลอดถึงทศพลยานนะครับจตุเวสารชยานอสส า, าธารณยานหกให้บริบูรณ์คือบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยประการชนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเมตานั้นให้วิเศษกว่าบุญมีอุปธิสมบัตินอกนี้ เพื่อทรงแสดงถึงความวิเศษนี้ว่าเมตตาบริบูรณ์กว่ากัลยาณธรรมทั้งหมดมีฐานเป็นต้นนะครับคือถ้ามีเมตตาแล้วบุญบารมีทั้งสิบอย่างอื่นก็เจริญไม่ยากพรหมวิหารอย่างอื่นอีกก็เจริญไม่ยากบุญกิยาวัตถทุอื่นๆ อ, อีกก็เจริญไม่ยากเพราะฉะนั้นเมตตานี่นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนตัวขับเน้นให้ทําบุญอื่นๆได้อยา่างมหาศาลนะครับ